ความเจริญในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มปฏิญาณในวันนี้จะพูดถึงโพชทชงข้อต่อไปคือสมาธิสัมพุทธชงหรือว่าองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้จัดสรุธรรมคือสมาธิสมาธินั้นโดยเนื้อหาสาระก็คือความตั้งใจมั่น มายความว่าความคิดเราอยู่กับกุศลตลอดซึ่งอาจจะไม่สงบนิ่งอะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าอยู่กุศลก็ถือว่าเป็นอาการของสมาธิในภาคปฏิบัติจริงๆใจที่อยู่ด้วยกุศลนั้นก็คืออยู่ด้วยความเพียรอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสมาธิความสงบ มก็รวมกันแล้วพวกนี้ก็เป็นจิตสิกขาแต่ว่ามีปัญญาเข้ากำกับเช่นเดียวกันวพาในฌานของสมาธิก็อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนโน้นที่พูดเรื่องวิมุตนะฮะคือวิคัมพะนา ว, วิมุตตเนี่ยมันก็คืออาการของสมาธิแต่ว่าพัฒนาขึ้นไปจนเป็นฌาน ก็คือสมาธิที่หนักแน่นมันคงขึ้นนั่นเองมีกุศลเกิดขึ้นภายในจิตในชั้นแรกก็ห้าประการคือวิตกวิจารณ์ปิติสุขเยกกาตาแล้วก็ทำหน้าที่สงบนิวรณ์ทั้งห้าประการไปได้ใจคนท่านก็ไม่พุ่งสั้นสัดสายไปตามแรงเหบี่ยงของนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งแต่ว่า ไม่ใช่หมดกิเลสนะฮะเป็นการสยบ ก, กิเลสไว้ชั่ว ค, คราวณาวนาว่ายังไงจึงจะได้เกิดสมาธิขึ้นภายในจิตใจการเจริญสมาธินั้นเป็นงานของจิตฉันเรียกว่าสมถะแปลว่าความสงบเรียกเต็มที่ว่าสมถะกรรมฐานคือการงานที่บุคคลพึงต้องทำ ท้งใจเพื่อให้เกิดความสงบขึ้นบางครั้งก็เรียกว่าสมถยานิกคือใช้ความสงบเนี่ยเป็นยานภาหนะนำจิตไปหรือนำจิตไปสู่ความสงบท่านก็แสดงเหตุที่เป็นปัจจัยเสริมคือสนับสนุนให้เกิดสมาธิสัมโพชฌง์เอาไว้หลายข้อด้วกันคือหนึ่งทําวัตถุให้สละดสลวย คำว่าวัตถุก็คืออารมณ์ที่เรากําหนดระลึกได้แก่อารมณ์ของกรรมฐานซึ่งก็มีอยู่จะเป็นจํานวนมากกันนะครับเฉนนั้นรุสติที่เคยกล่าวมาแล้วก็เป็นอารมณ์แต่ละขอ้อแล้วพวกกสิณสิบอาจจะดูดินน้ําลงไฟอาจจะดูสีต่างๆอาจจะดูช่องว่างอาจจะดูแสงอะไรต่ออะไรต่างๆก็ตาม หมายความอารมณ์นั้นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการทําใจให้สงบอารมณ์สละสลวยก็ไม่ได้หมายถึงสวยงามนะหมายถึงว่าอารมณ์นั้นไม่เป็นขัดสกให้เราสังเกตว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราดูแล้วเราไม่สบายใจใจก็จะไม่น้่มน้องก็หาความสงบก็แสดงว่าอารมณ์เหล่านั้นไม่สลัดสลวยสําหรับเราคือการไม่สลัดสลวยสำหรับเราก็ไม่ได้หมายความว่าไม่สละสลวยสำหรับคนทุกคน ก็อาจจะสละสะละวยสมัติบุคคลอื่นเป็นเรื่องหลางเนื้อชอบอยางยาก็เลือกไปประพฤติปฏิบัติให้เหมาะวรแก่ฐานะของตนเป็นประการสำคัญประการต่อไปก็ทาอินทรีย์ให้สม่ําเสมอตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่มากธรรมะคืออินทรีย์นั้นเป็นธรรมะที่เป็นแกนหลักทีเดียวเดี๋ยวสรุปแล้วก็คือเป็นอริยมรรคนั่นเอง แต่ียแต่ว่าไปเน้นย้ำเป็นพิเศษอยู่ห้าข้อด้วยกันอยู่ในกลุ่มโพธิปักเิยธรรมเช่นเดียวกับโพชฌงค์คือสติปัฏฐานสี่สมมปทานสี่อินทรีย์ห้าะละห้าโพชฌงค์เจ็ดมักมีอง์แปดธรรมะกลุ่มนี้เรียกทั้งพะละแลาก็เรียกทั้งอินทรีย์แต่เนื้อหาองค์ธรรมเหมือนกันคือใช้ข้อความข้้งหลังต่างกัน เช่นว่าศรัทธาเรียกว่าสัทธินิสัยหรือศรัทธาภละก็ได้อยู่กับพลังก็คือมีกําลังที่จะเสริมสร้างขึ้นไปจนสามารถสยบขวายตรงกันข้ามกับตนลงไปได้คล้ายๆกับพลังของแสงของแสงสว่างที่สามารถกระจัดความมืดได้พลังของความเค็มที่กระจัดความเปรี้ยวได้พลังของความเย็นที่กระจัดความร้อนได้นะ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพลังทีนี้พอความเย็นเขาอยู่ตัวแล้วเขาก็เป็นใหญ่ในข้องนั้นความร้อนจะไปสอดแทรกเข้าไปไม่ได้ก็กลายเป็นอินซีซึ่งแปลว่าเป็นใหญ่วันการทำา n c ซีให้สม่ำเสมอก็คือต้องสร้างให้เป็นพละเึ้นมาก่อนธรรมชตชุดนี้ก็มีอยซี่ห้าข้อนะห้าข้อก็คือศรัทธาพละ กำมังคือศรัทธานั้นจะต้องมีมากพอแล้วก็เพิ่มพูนขึ้นสามารถขจัดความไม่เชื่อออกไปจากใจได้แต่ว่าพลังยังอ่อนนะขจัดความไม่เชื่อนี่ถือว่าพลังยังอ่อนอยู่มันจะต้องมีพลังจนขจัดความเครือบแคลงสงสัยความไม่แน่ใจให้ลองสังเกตว่าความไม่แน่ใจความเครือบแคลงสงสัยนั้นเราแก้ได้สองเรื่อง เรื่องหนึ่งคือใช่ศรัทธาใช้ความเชื่อเอาเช่นสมมติว่ายานี้รักษาโรคอย่างนี้หายไหมอย่างเงี้ยหมอเขาบอกว่าหายเราก็ใช้ความเชื่อก็กิกนยานั้นทีนี้พอหายนี่มันก็กลายเป็นปัญญาคือความรู้ว่ายานี้สามารถแก้โรคนี้ได้พอหลังเราอาจจะไปซื้อเ อ, เองก็ได้ แล้วก็แสดงว่ามันเป็นอินทรีย์แล้วมันเป็นใหญ่แล้วก็มีอยู่สองช่วงทีนี้พลังของความเครือบแคลงสงสัยที่ถูกขจัดออกไปเนี่ยมันเป็นกิเลสประเภทโมหะมันก็ทำให้มีเหตุผลมีสติปัญญาในการมองในการคิดและในที่สุดก็จะไปลดความรู้สึกประเภทที่เราเรียกว่า โลกให้ลองสังเกตว่าบุคคลใดที่เรามีศรัทธาจะเราศรัทธาในพระรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยพร้อมจะบริจาคพร้อมจะถวายพร้อมจะสนับสนุนส่งเสริมท่านดอกนั้นบางทีไม่มีเหตุผลอะเป็นคนมาถวายบางทีทำ ถ, ถวายเรื่องอะไรก็ระปรบเรื่องอะไรก็อยากจะถวายมันศรัทธามันก็อยากจะถวายท่านนั้นเอง นั่นก็แสดงให้เห็นว่าพลังของศรัท ธ, ธาเนี่ยไปขจัดความโลภไปด้วยหรือถึงจุดหนึ่งก็มีกําลังแรงไปขจัดที่โทสะก็หมายความมงคนที่เราศรัท ธ, ธาไปว่าอะไรเราไปตักเตือนเราไปห้ามปรามอะไรเราหรือบางครางบางคราวอาจจะถึงกระดูดา่าแต่เราก็จะไม่โกรธนั่นก็แสดงว่ามันเป็นอินทรีย์แล้วถึงเนี่ยเป็นใหญ่แล้วเป็นใหญ่ในการขาจัดความโลภความโกรธความหลง คือเราสังเกตว่ากิเลสเนี่ยก็ขจัดความโลภความโกรธความลงทั้งนั้นน่แล้วก็ธรรมะประเภทอื่นก็จะเกิดติดตามมาจากการขาจัดความโลภความโกรธความลงก็กต่อไปวิริยะพละหรือวิริยินทรีเนี่ยที่ก่อนจะเป็นวิริยินทรีเนี่ยตัววิริยะมันต้องขจัดความเกียดคราต่ อ, อไป แต่ความเกียดคร้านบางอย่างเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนคือเราอาจจะไม่รู้สึกว่า เ, าเกียดคร้านแต่ที่จริงเราเกลียดคร้านเช่นการอ้างหนาวร้อนหิวกระหายเช่าสายบ่ายเย็นหิวนักกระหายนักหลายรต่ออะไรเนี่ยเราไม่ทํางานเนี่ยอันนั้นเป็นความเกียดคร้านตรงๆคือเห็นชัดเจน ว, ว่าห า, หาเรื่องเฉยๆอ้างเลสเฉยๆเมื่อเพื่อไม่ทํางานแต่บางเรื่องเนี่ยเราไม่มีงานอะไรเป็นชิ้นเป็นนันน่ ใช่บางทีก็ดูนั่งดูโทรทัศน์อยู่แล้วบอกไม่ว่างที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บอกไม่ว่างมางทีนั่งคุยกันอยู่เนี่ยบอกไม่ว่างแต่ที่จะไปทางานเนี่ยก็ไปอ้างเรื่องซึ่งร้ายสาระมากๆมาเป็นอุปสรรคในการทำงานเวลานี้ก็ไปอ้างเพิ่มอะไรกันได้เยอะเชนรถติดเนี่ยอ้างได้สบายนะรรถติดเนี่ยถ้าเรามีความสุจริตใจ เช่นสมมติเราเคยไปในสถานที่หนึ่งใช้เวลาสามสิบนาทีรถติดเราก็เพิ่มมาเป็นสี่สิบห้าเผื่อขาดเผื่อเลื อ, อไว้ไปรอเขาหน่อยเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่เขารอเนี่ยหมายความว่าคนหลายคนเนี่ยรอเราคนเดียวเนี่ยมีปัญหาแต่เราคนเดียวไปรอคนหลายคนก็ไม่ไปแปลกอะไรแต่แสดงว่าเราก็รับผิดชอบเรามีความซื่อสัตย์มีความซื่อสรตย แล้วก็รักษาเวลารับผิดชอบต่อการเวลาวาันความเกียดคร้านบางระดับเนี่ยเขาเรียกมหาโกสศชาคือความเกียดคร้านขนาดหนักความเกียดคร้านจะดูไม่ออกว่าเกาลียดคร้านนั่นนะปวดหัวนิดปวดท้องหน่อยแล้วแต่อะไรก็อ้างขึ้นเป็นเลขเพื่อไม่ต้องทํางานทีนี้ถ้าอ้างได้แล้วมันอ้างหมดอ่ะมันไม่มีอะไรที่อ้างไม่ได้เพนจะต้องมีพลังในการขจัด ความเกียจคร้านในทุกระดับจนเป็นคนไม่เกียจคร้านแต่จะว่าการไม่เกียจคร้านนั้นก็คือเหตุผลคือการมีเหตุผลการครองชีวิตอย่างมีเหตุมีผลความเพียร น, นั้นเป็นจิตสิกขาคือเป็นเรื่องของจิตแต่แสดงว่ามีปัญญาเข้ากำกับ คือมองโดยเหตุดโดยผลแล้วว่าการเกลียดคร้านไม่ไม่ได้ประโยชน์อะไรกันมาเป็นการพร่าพรานเนการทําลายเวลาทําลายโอกาสของเราปล่าเปล่าแล้วก็กลายเป็นคนที่มีความมันขยันไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคอันตรายความเนือยากลําบากต่างๆในภารกิจการงานต่างๆมารู้สึกว่าชีวิตมีค่าคนเรานี่จะตายเมื่อไหรเนี่เราไม่รู้ แต่ถ้าแต่ละวันเราอยู่ด้วยความเพียรคำนวนพระพุทธเจ้าสงชัยก็มาอารัฐวิริโยวิหารติคืออยู่ด้วยการประรั ค, ความเพียรยื่งอะไรมาทำได้ตลอดเราก็ทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่จำเป็นจะต้องมีใครที่มาแต่งตั้งมอบหมายอะไรให้แก่เรายกตัวอย่างาการเป็นพระเนี่ยที่จริงไม่จำเป็นะใครจะแต่งตั้งอะไรเราหรือไม่แต่งตั้งเราเป็นลูกน้องพระรัตนตรัยพอแล้วนะฮะไม่ต้องไปลูกน้องคนนะ่ะ คือเพียงแต่เราบวชมาแล้วเรามีหน้าที่ศึกษามีหน้าที่ปฏิบัติมีหน้าที่เผยแผ่มีหน้าที่ดูแลรักษาระศาสนาเนี่ยทํากันไม่หวาดไม่ไหวครับแล้วตาแหน่งทั้งสี่ตำแหน่งเนี่ยไม่ไม่ต้องมีคนแต่งตั้งก็เราได้มาโดยกําเนิดคือได้มาจากการบวชได้มาการจากการประกาศตนเป็นพุทธมามะกะเราก็ติดมาโดยกําเนิดคล้ายๆกับเราเป็นลูกของพ่อแม่เนี่ยคือไม่ต้องแต่งตั้งเราอะให้ทํานั่นทํานี้เราเราต้องทําโดยกําเนิดของเราแล้ว เป็นความสำนึกที่ดีงามไม่ใช่ทำรรในลักษณะเป็นแบบค่าจ้างคือทําเพื่อหวังลาบหวังยศหวังชื่อเสียงหวังได้เลื่อนชั้นตําแหน่งอะไรอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอาการที่น่าขยะขยง่ายน่ารังเกียจนะฮะพอคลายๆกับมาโอาลัดเอเปรียบพระศ า, า, า, าสานามาอาศัยศาสนาแล้วก็เอาศาสนาเป็นเงื่อนไขต่อรองในการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจเพราะเราพอเราขยันแล้วเนี่ยมันจะ แจ่มใยเบิกบานแช่มชื่นไม่โลภ่ะคือไม่เห็นแก่ตัวไม่โกรธใครเพราะการโกรธเนี่ยมันจะทำให้ใจใจขุนแล้วก็ใช้เหตุผลใช้สติปัญญาในการดารงชีวิตความเพียรก็เป็นใหญ่เหนือความเกียดคร้นในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะปรากฏในลนักษณะยังไงก็ตาม ประการต่อไปคือสตินซีอินทรีย์คือสติก็สติพะละก่อนนะฮะสติพะลนะนั่นก็ทําหน้าที่ขจัดสติสัมโมสาคือความหลงลืมความเลอะเลือนความเพ้อเรอความพลังพลานเรื่องสตินี่แม่เป็นเรื่องใหญ่สติกับสัญญาเนี่ยมันมันนื่อึงกันนะบางทีเรานึกอไม่ออกอเราจำไม่ได้บทีจําได้มันลืมนะนึกองไม่ออก บางทีก็เรียกว่าสัญญาดับนันดับเฉยๆนะแม้แต่วางทีการเทศการบรรยายเนี่ยคือบางทีสัญญาบันดับไปเฉยๆได้ต้องขึ้นประเด็นใหม่ไปก่อนเพือจะให้เรื่อมันเกิดความต่อเนื่องแล้วก็ไปย้อนเข้าไปประเด็นดีก่นึกได้ในขณะีิพูดอันนี้คือธรรมชาติของคนเราทุกคนแบางครั้งบางคราว เ, ราเวลาเนี้ยเราเห็นว่ามันมีโรคอัลไซเมอร์เกิดขึ้น ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเป็นฉลาดปตัดเปลืองมากเลยพออายุมากลืมหมดเลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายน่ากลัวนะไอ้โรคเราเนี้ยน่ากลัวมากเลยสะสมความรู้สะสมประสบการณ์มาเป็นเวลานานอายุไม่ตันเท่าไหร่เลยลืมหมดแล้วเป็นโรคชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นโรคที่ติว่าน่ากลัวแต่ว่ามันมันตัวเองมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วนะ วันสติสัมโมสสานี่ความหลงลืมความเลอะเลือนความเผลอเร่อความพลังพลาดนึกไม่ออกคิดไม่ได้นึกไม่ทันนึกไม่ออกนึกไม่ได้เ น, นี่ยเป็นลักษณะของการการเขาเรียกว่าสติสัมโมสสาือความหลงลืมความเลอะเลือนของสติมันจะต้องพยายามขาจัดความรู้สึกเหล่า น, นี้เหล่านี้ออกไปจากจิตใจได้ จนว่าสติน่ะเป็นใหญ่เป็นสตินซีคือเป็นใหญ่ในการระลึกได้ระลึกทันนึกออกเวลารวดเร็วมากเราจะว่าคนที่สติดีเนี่ยจะทําอะไรได้ได้รวดเร็วคือบางทีเนี่ยพูดเราฟังไม่ทัน น, นะะพระพุทธเจ้าเนี่พูดเร็วมากรับสั่งเร็วมากพระานนทระานนอย่างถูตรแม่พระอานนนี่เร็วที่สุดบรรดาพระทั้งหลาย ผู้ใรับสั่งเร็วกันนั้นแต่ข้อความกระชับระ ก, กุมเข้าใจได้ยินชัดเจนแจ่มใสนั้นเพราะอะไรเพระพาะผู้ใจสติท่านสมบูรณ์ระลึกได้แล้วก็ระลึกได้อย่างรวดเร็วนะฮะไปได้เร็วมากก็รเรียกว่าสติวิปุโลคือมีสติที่ไพ่บุญดังนั้นลองสังเกตว่า อย่างพระครูบาอาจารย์บางองเนี่ท่านพูดเร็วมากนะแล้วก็ชัดถ้อยชัดความแล้วก็รู้เรื่องร้อยเรียงกันไปเป็นเป็นลำดับเป็นขัน้นเป็นตอนไป แ, แสดงถึงฝึกปือสติมาดีสติก็เป็นใหญ่แต่สมาธิสมาธิพะละเนี่ยต้องขัดจัดเขาเรียกว่าเจตสววูปัสมะคือความความไม่สงบของจิตคือจิตมันเว้นเข้ามาอย่างนั้น มันดิดน้นโดดมันกัดแกงมันห้ามยากรักษายากมักสายไปมักตกไปมักเคริบเคริม เ, เรื่องราวอะไรไม่ค่อได้เพราะจะต้องสยบความคิดเหล่านั้นออกไปจากใจจนใจมีความสงบขจัดความไม่สงบหรือความพุ่งสร้างความสัสดสาย ความเผลอความพรั้งอะไรแต่อะไรต่างๆมันก็ไปไปด้วยกันนะตั้งสติกับสมาธิเนี่ยจนจิตใจเป็นใหญ่คือมีความหนักแน่นมีความมั่นคงมีความสงบถ้าให้ดีก็เรียกว่าไปข้าวถึงชานไปเลยนะฮะจิตที่ข้าวถึงชานแต่าชานเนี่ยจริงๆคือแต่เราออกจากชานมันก็มันก็เสื่อมนะฮะมันเสื่อมแต่ว่าพลังของธรรมะเนี่ยมันมีอยู่ มันมีอยู่เวลาจะทําก็ทําได้ง่ายคล้ายกับไฟที่มันมอดลงไปเนี่ยมันยังมีเชื้ออยู่นะคือทำให้ลุกโผล่ขึ้นมาได้ง่ายมันไม่ถึงก็ดับไปเลยดับไปเลยก็ต้องจุดใหม่ต่การต่อไปคือปัญญาภละซึ่งต้องขจัดโมหะคือความหลงความเคล่าความไม่รู้เนี่ยออกไปทีนี้บรรดาสัพพิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ยก็เกิดมาจากโมหะคือความหลง ผลการกระจัดโมหะได้กิเลสประเภทโลกปวดลงโรคปวดลงก็สงบตามไปปัญญาก็เป็นปัญญินทรีย์คือเป็นอินทรีย์คือปัญญาได้แก่เป็นใหญ่ทีนี่ธรรมะทั้งห้าข้อเนี้ยมันมีปัญหาในภาคสนามเช่นว่าเราศรัทธามากเกินไปเนี่ยบางทีก็งม ง, งายหน้าอินดูนะฮะงม ง, ง, งายจะหน้าอินดูเอ๊ก็เชื่อได้ยังไงมันไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรๆ ไ, ไปเชื่อได้ ะคนคลอดลูกเป็นไข่ยังเชื่อเลยคนคลอดลูกเป็นงูยังเชื่อเลยลูกนะตายไปเกิดเป็นอะไรอ่ะเ ป, เป็นเป็นเฮี้ยก็เชื่อเลยอันนี้ยคือแปลกไม่น่าไม่น่าเชื่อแต่ก็ก็เชื่ออะสัตว์เกิดมาพิกลพิการเ อ, อ้าการรปศักดิ์สิทธิ์ไปแต่คนพิกลพิการกลายเป็นอัปมงคลน้องก็แปลก เรื่องเาเีพราะอะไรเพราะขาดปัญญาในการมองมันน้อมใจเชื่อไปเฉยๆไม่มีเหตุมีผลในการคิดอ่ะเออถ้าสัตว์มันพิกลพิการมันศักดิ์สิทธิ์บนบานสารกล่าวสามารถประสิทธิ์ประสาทได้แล้วคนพิการละ่ะไม่ดีกว่าสัตว์แต่คนน่ะไม่ดีกว่าสัตว์่ทํำไมคุณไม่บนอ่ะอันนี้คือคือคื อ, คอปัญหาตรงนี้มันขาดปัญญาในการคิดแต่ปัญญาก็เหมือนกันถ้าขาดศรัทธามันก็เคฟื่องโดยไม่มีเหตุผลอะไร เช่นนี้ชนใดๆในโลกลวนะ้วนนิจจังเขาไม่เรียนก็ยังสอบได้เราเรียนอกแทบพางยังสอบตกนาเพราะฉะนั้นจําวำอย่าได้เรียนมันอันนี้มันเครื่องปัญญามันเครื่องไปเฉยๆหรือขึ้นต้นนิ้วเพิวไปต้นขนนผิดเมียท่านได้บุญทั้งลูกขนนก็ได้กินในปัญญามันเฟื่อนมันไม่มีเหตุผลเราลงว่าต้องมีหลักคือศรัทธาในเข้าไปรั ง, รงยังเอาไว้ สตากับปัญญาเหมือนกับล้อรถอล้อด้านหน้าเนี่คู่หนึ่งจะต้องสมั่งเสมอกันจะต้องหนุนช่วกันสตามากเกินไปก็งมงายปัญญามากเกินไปก็เคลื่อนทิ้งอีกชุดหนึ่งเนี่ยคือความเพียรกับสมาธิต้องปรับให้สมั่งเสมอกันให้เราสังเกตถ้าเราเพียรมากเกินไปเราจะฟุ้งซ่านนะใจจะไม่สงบกายจะกระสับกระส่าย แต่ถ้าเพียรหย่อนเกินไปเนี่ยจะง่วงนะฮะจะสะเป่งงดิบังค้ามข่าวเราฝังเทศเนี่ยคว่างับมาก็นั่งหลับนั่งกลับเ ป, ป็นไปนั้นแสดงว่าความเพียรมันหย่อนสมาธิแทนที่จะเป็นสมาธิมันไม่เป็นสมาธิมันน้อมก็าหาความหลับคือกลายเป็นทีนัมิดาไป คนสมาธิกับความเพียรเนี่ยจะต้องสนับสนุนกันสมาธิต้องไม่มากเกินไปความเพียรต้องตามพันนะมากไม่แปลกหรอกแต่ตามให้ทันเพราะความเพียรเนี่ยกลายเป็นพลังกับเคลื่อนที่นาจิตเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ปัญญาทีนี้สติน่ะเหมือนกับเจเลยนะฮะสตินั้นก็ความเพียรกับเอสมาธิก็เป็นล้ออีกคู่หนึ่งของรถนะ สติก็เหมือนคนขับอ่ะเหมือนคนขับรถที่จะนํารถไปสู่จุดหมายปลายทางตามที่ตนต้องการได้ลักษณะเหมือนทะเลทีนี้พวกเหล่านี้ที่จริงมันเป็นธรรมะระดับนำคือการเทศการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องบ่มอินทรีย์เรื่องสร้างอินทรีย์พัฒนาอินทรีย์ปรับอินทรีย์นี่ต้องทำครับต้องทาตลอด ยังยกตัวอย่างเช่นเช่นไปเทศโปรดพระปัญเดวคีเนี่ยเราจะเห็นว่าสัตทินสีเขาหย่อนเราก็ไม่เชื่อพระเจ้าจะสัตรู้ได้โดยวิธีการสวยปัจจัยอาหารจนร่างกายแข็งแรงในจะสรตรุนี่เขาไม่เชื่อเพราะสัตทินสีนมันอ่อนเพราะสัตทินสีนมันอ่อนบิดีนสีที่จะฟังมาก็อ่อนสติที่จะหวนระลึกเจะฉุกระลึกขึ้นมาก็อ่อนปัญญาที่จะตรวจสอบวินิจฉัยก็อ่อนใจก็ไม่ต่างมัน เพราะนั้นพราพุทธเจ้ารับสั่งเตือนไว้อลองคิดดูซิว่าเคยได้ยินเราพูดว่าเราจัดสรู้แล้วหรือไม่เห็นไหมสติมันก็เกิดขึน้นปัญญาเมื่อด้วยใจเออจริงเออจริงเราคงไม่เคยไม่เคยรับสั่งอย่างนี้เลยอยู่กันมานานตั้งห้าหกห้าปีกว่านะฮะไม่ถึงหกปีห้าปีกว่าเนี่ยไม่เคยได้ยินว่าพระเจ้ารับสั่งว่าปรุงจัดสรู้ทาให้จิตสงบ อินทรีมันก็ขยับตัวของเขานะฮะเราจะเห็นว่าความเพียรก็พร้อมที่จะฟังแม้จะไม่หนักแน่นอะไรเท่าไหร่ก็ตามนะเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาเสร็จไปแล้วเนี่ยได้บรรลุมรควนเพียงรูปเดียววันพระเจ้าต้องเอามาปรับอินทรีย์ปรับกันวันละคนวันละคนวนละคนเนี่ยครบห้าวันวันแลมห้าคาก็เทศอินทรีย์มันปรับแล้ว ศรัทธามันตั้งมั่นแล้วมันมั่นคงแล้วอวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ขับเคลื่อนหนุนเนื่องกันไปในที่สุดเมื่อพระเจ้าแสดงอนัตตลักษณสูตรเนี่ยท่านก็บรรลุมรรผลเป็นพระหันหลังการปรับอินทรีย์ก็คือปรับให้เสมอกันปรับศรัทธากับปัญญาให้เสมอกันสมาธิกับความเพียรให้เสมอกันสติเป็นตัวเจรคือตรวจสอบแล้วขับเคลื่อนนําจิตเข้าสู่ความสงบ ก็จะเกิดสมาธิขึ้นได้ตามทุงควรแก่การแก่โอกาสท่ฟังทั้งหลายแต่หมวพุทยญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นคบบนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจุมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี